ในวันนี้จะได้บรรยายพระธรรมนเนเกี่ยวกับในเรื่องของการเจรหลเมตตาในเรื่องของเมตตาพรหมวิหารเคยพูดไว้คันข้างหลายครั้งแต่ในยาเห็นการนาไปปฏิบัติค่อนข้างเยอะไม่ค่อยจะได้ทมกันเป็นทิจฉรักษะทีนี้ในวันนี้ก็อยากจะเริ่มในลักษะอย่างว่าในขณะที่พวกเราทั้งหลายฟัง มวิหารธรรมในวันนี้เรื่องต้นก็ฟังพอเป็นกิตอยากลักษณะเล็กน้อยแล้วก็ฝึกในการที่จะเจริญพามวิหารโดยเฉพาะในข้อของเมตตาภาวนาที่เน้นในเรื่องการฝึกในเรื่องของเมตตาภาวนานั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเออทำยังไงเราจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย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 ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเยินต้นนึงจนะท่องแต่เฉพาะในเวลาที่สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็เย็นหรือในขณะที่เราฟังถ้าทาจบแล้วก็มีการแผ่เมตตากันบ้างลักษณะแห่งการแผ่เมตตาหรือการท่องเมตตากันอย่างนั้นนะ่ยอันนั้นไม่ได้ฝังแน่นไปในอัธยาศัยเป็นการพูดเมตตา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 หรือเป็นความปรารถนาความสุขให้กับบุคคลอื่นแต่การที่จะเรามีจะมีความรักความปรารถนาดีความเพื่ออาทรต่อคนอื่นอย่างแท้จริงได้นั้น mm. ก็จะต้องไปเห็นหรือรู้จักลักษณะที่แท้จริงของของเมตตาให้ดีถ้าไม่รู้จักลักษณะของที่แท้จริงของเมตตาเนี่ยเราก็จเจริญเมตากันไม่ถึงในเบื้องต้นเนี้ยจะกล่าว ใจความของพระวิหารโดยย่อแล้วก็จะขยายเข้าสู่บทเมตตาและต่อไปก็จะนําพวกเราทั้งหลายเนี่ยในการที่ปฏิบัตินคือฟังกรรมฐานกันไปด้วยคือฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็ทําจิตให้สงบแล้วก็ส่งใจไปกับอารมณ์กรรมฐานไปด้วยการทํากรรมฐานอนี้กรรมฐานบางอย่าง เออถ้าไปทําคนเดียวแล้วมันไม่เดินถ้าใสบุคคลที่เขามีเมตตาหรือท่านที่รู้พอสมควรเนี่ยนาทางให้เนี่ยเ็ออย่างนั้นไปได้เลยแต่มันมีข้อแม่นะในการอบรมในการเจริญเมตตาเนี่ยท่านผู้นั้นจะต้องบ่มอินทรีย์มาดีอินทรีย์ข้อแรกคือศรัทธาอนทรียคือจะต้องมีศรัทธาเนี่คือศรัทธาในอะไร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 มีความระลึกได้ระลึกว่าถ้าเราจัเจริญเมตตาให้กับตนเองถ้าเราจัดเจริญเมตตาให้กับบุคคลอื่นหรือถ้าเราจัดเจริญเมตตาให้กับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นญาติิหรือเป็นลูกที่เป็นหลานหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจใด อันนั้นสติก็จะต้องเข้าไปตั้งมั่นในกลุ่มบุคคล น, นั้นๆค่อนข้างชัดเจนอันนั้นก็แปลว่าจะต้องอาศัยสติเมื่ออาศัยสติในการที่เข้าระลึกบ่อยๆแล้วะตัวสมาธิก็ต้องไปตั้งมั่นในอารมณ์ดนั้นๆที่เราจะเผยให้ดูประการสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ก็คือว่าปัญญาในการที่จะต้องรอบรู้ว่าไอที่เกิดขึ้นในใช่เมตตาเพราะสภาวะของเมตตาบางครั้งมันก็ ต่างมันค้งก็ก็ก<ๆ>็อกไม่ออกว่าลักษณะของเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นยางไรอันนี้เป็นการกล่าวเรื่องต้นนะิดนประการแรกก็คือว่าการเจริญเมตตาเนี่ยให้ในแง่ ข, ของด้านวิชาการทางด้านข้อมูลทางคำตอมเนี่เขาเรียกว่าพรหมวิหารคำว่าพรหมวิหารนี่นะวิหาระแปลว่าเครื่องอยู่หรือว่าแปลว่าที่อยู่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 คำว่าพรหมในที่นั้นเป็นชื่อของเท้ามหาพรหมก็ได้เป็นชื่อของาาพระตถาคตก็ได้เป็นชื่อของทามเป็นชื่อของบิดามารดาหรือเป็นชื่อในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนั้นเขาเรียกว่าพรหมแค่นั้นอีกศับหนึ่งเนี่ยนะคาว่ามารดาบิด า, ดาเป็นพรหมของอยู่ฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ย เขาถึงบอกว่าให้ดูให้ดูอะไรให้ดูว่าพ่อและแม่เนี่ยรักบุตรอย่างไรสมมติว่าพ่อแม่มีบุตรคนเดียวรักบุตรธนุถนอมบุตรมีความแนบแน่มมีความที่นชมกะบุตรคนเดียวไม่ใ้ชันใดลักษณะของจิตใจของพ่อแม่ที่ประเสริฐที่รักแล้วก็บูชาเอ่ปลาถนาดีตบุตรอันนั้นก็เป็นชื่อของชมนะ มาเรียกของคําเมิตาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเทพทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพรหมบาริสัจชาพรหมบปรินตามหาพรหมบาปริตาภาเป็นต้นเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นชื่อของรอพรหมเขาเรียกว่าพรหมวิหารฉะ น, นั้นคําว่าพรหมวิหารเนี่ยเขาเรียกธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพรหมธรรมที่เป็นอยู่เครื่องอยู่ของพรหมในที่นั้นน่ยท่านเน้นไป ต, ตัวที่ เมตตาคำว่าเมตตาเนี่เป็นภาษาบาลีในความหมายภาษาไทยนะถ้าถามเอาภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอะไรภาษาไทยเขาแปลว่าแปลว่าความรักเมตตาเนี่ะแปลว่าความรักความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยธรรมชาติใดย่อมรักและมีความเยื่อใยเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาฉะนั้นลักษณะของเมตตาเนี่ย วงบอกถึงว่าธรรมชาติถือว่าธรรมชาตินั้นมีอยู่ในนิดหรือย่อมเป็นไปแต่นิสธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าเมตตาเหมือนกันบางแห่งเ้าก็เรียกว่าปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาเรียกว่าไมตรี่งเลยความปรารถนาดีความเอื้ออารรมเนี่ยก็ความอยากให้ผู้อื่นมีความสุข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 ประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อันนี้ชื่อว่ามิตรมีพุทธภาเกิดอยู่ตับหนึ่งด้วยมาตามิตรตังสเตคเรเขาแปลว่ามารดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนตนเขาบอกว่าในบ้านในเรือนของเราเนี่ยนะคนที่มิตรเป็นมิตรกับเราแท้ๆเนะ่ยคือพ่อและนี่ลองลองมาก็ครูบาญาณิน มีถใครพ่อแม่ไม่มีแล้วก็แสดงว่ามิตรในเรือนเนี่ยหายเหมดเลวหมดมิตรในเรือนตนมอีกความหมายหนึ่งบุคคลสมควรทาอริยชนถ้าอริยเจ้าเป็นต้นให้เป็นมิตรหมายความว่าสหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการหนึ่งหนึ่งหรือผู้ต้องการเกิดขึ้นสหายเป็นผู้ทำความสุข อรียชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านั้นต่างปรารถนาให้บุคคลอื่นหรือสักพัตรอื่นที่เกี่ยวพันกับตนนะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองประกอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์เชนั้นจึงชื่อวมิตรฉะนั้นคำว่ามิตรหรือคำว่าบุคคลที่มีเมตตาคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นมารดาคนที่เป็นผ้าริยะบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีความปรารถนาดีความ หวังดีมีมิตรตรีกับเราอย่างแท้จริงไม่มี บ, บาปอกุศลก็ไปเกือยนกับจิตใจของบุคคลเรานะั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิตรทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้ทําความเข้าใจก่อนว่าแต่ความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยมีอยู่สองลักษณะมันเป็นรักเทียนเมตตาเทียมนั่งอย่างนี้รักแท้แล้วเมตตาแท้นั่นอย่างหนี้ ถ้ารักเทียมหรือเมตตาเทียมเนี่ยเนีอันนี้เป็นความรักที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่นความรักระหว่างเพศเพศตรงข้ามความรักความเยี่ยยายในตัวต่อบุคคลเนี่ยความรักที่ต้องการเศษเวทนาหรือความสุขที่ได้จากสุขสัมผัสความรักในลักษณะอย่างนั้นเป็นความรักเทียม อันนี้เป็นเมตตาเทียมเขาเรียกว่าตัณหาเืน ม, มะไม่ใช่ตัณหาแท้ที่นี่รักก็หนห่งความรักความปรารถนาดีความสุขสัมผัสเลยนะเช่นความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนที่ตนรักเป็นความสุขของบุรุชนที่อยากให้บุคคลอื่นมาบำเรอความสุขให้กับตนเอง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 ลักษณะแห่งความรักเทียมนึ่างนีเนะี่ยเปนความรักที่ไม่สมบูรณ์มีจุดบกพร่องอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเมตตาเทียมไม่ควรเดี๋ยวเลยเมตตาเทียมนั้นเป็นธรรมะที่ควรละเป็นธรรมะที่ควรปล่อยวางเพราะว่ายิ่งเติดคุนก็ยิ่งนำไหายาณะมาสู่ในที่สุดจริงๆก็ประสบแต่ความวิบัติความขัดเคืองตามมา อันนี้เริ่มจะมองเห็นได้ไหมว่าอันนี้เป็นรักเทียไม่ใช่รักแท้เขาเรียกว่าปัญหาเต็มวะถ้าเป็นความรักที่เต็มไปได้วยความยึดถือเต็นไปได้วยความเ ร, ร้อนรนเนี่ยนะอันนั้นไม่ถูกต้องทีนี้ที่จะพูดถึงที่เราจะแผลที่เราจะอบรมที่เราจะเจริญกันเนี่ยนะอันนี้เป็นความรักแท้ความรักแท้หมายถึงความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นที่ ที่รักไม่มีความสุขประสบสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีการเผื่อแพ่มีความปรารถนาดีด้วยนะทำให้ใจเปิดกว้างผ่องใสแล้วก็เบิกบานต้องการให้ผู้ที่เรารักมันมีความสุขและอยากทำทุกอย่างให้เขามีความสุข้วยอะไรที่จะเป็นความสุขก็ปรารถนาที่จะทำให้เขาเพื่ออย่างนี้ ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้คิดว่าการจะ ท, ทําเช่นนั้นมันจะได้อะไรตอบแทนเนี่ยแต่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อถ อ, อนปรารถนาที่จะทําใำและขนาดความรักที่เป็นเมตตาแท้ๆเนี่ยเป็นความร่างที่จริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของคนทุกคนพวกเราก็เคยมีมี ม, มาด้วยกันดังนั้นเนี่ยกลประมาเหมือนบอกว่าในชีวิตของพวกเรานี่นะเราเคย ใช้น้ํากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําขุ่นน้ําใสแล้วก็ใช้กันมาสมมติเนีว่าเราไม่รู้จักว่าไอ้น้ําขุ่นมันมีมีโทษน้ําใสมัมีประโยชน์เราไม่รู้นะแต่เราก็ใช้น้ํากันมาเป็นชีวิตจิตใจตื่นขึ้นมาก็ใช้ชำระสาะใช้อาบบ้างใช้ดื่มบ้างใช้ซักเสื้อผ้าใช้ถูห้องบ้างอะไรบ้างก็ใช้กันมาเป็นปกติเนี่ยแต่ก็แยกนี่ออกว่าอันนี้เป็นน้าสําหรับใช้เนะ่อันนี้น้ําสําหรับดื่มเนอะนี้น้า สำหลับพักเสื้อผ้าน้ําอันนี้สำหรับล้างท้าเป็นเด็ลักษณะของเมตตาแท้เมีตาเทียมในชีวิตจริงที่ผ่านมากลุ่มบุคคลที่ศึกษาไม่ดีก็แยกไม่ออกแล้วเราก็มีความรักบุคคลนะบางครั้งก็รักแท้บางครั้งก็กงรกักเทียมเนี่ยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือแท้อันไหนคือเทียมเราก็เราก็รกักอ่ะเขาเรียก ว, ว่าใช้ทั้งนั้นนะถ้าเป็นความรักฐานก็มาสู่กระแสจิตเราก็ดีใจแล้ว พอให้เรามีความรักกับใครแล้วก็ให้แล้วก็ปรารถนาดีแล้วก็เอื้ออาทรแล้วก็ช่วยเหลือไปเนี่ยจะจะยึดติดหรือไม่ยึดติดจะเป็นประเภทที่เล่าร้อนตามมาเสียหายตามมาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้แยกอันนั้นเขาเรียกว่ามองกลุ่มเมตตาม่ออกแยกแยกเมตตาไม่ออกแต่พอวันใดวันหนึ่งเรามาศึกษาเรามาแยกแยกเรามาดูสภาวธรรมเรามาสังเกตเหมือนเราสังเกตน้ํา พอมีคนมาบอกว่าคุณต้องสังเกตนะถ้าลักษณะน้ําคุนมันเป็ น, อ ย, น, อ, ยนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเอาไปใช้หรือดื่มมากๆแล้วมันจะมีโรคนิ้วโรคอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยเออแต่ถ้าหากว่าน้ําใส่ถ้บริโภคเข้าไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณต่อล่างกายต่อมามันก็เริ่มขึ้นเยอะพอเริ่มสังเกตแต่นี้ก็ก็เริ่มจะไม่เยอะนะที่นี้ก็เหมือนอย่ที่ผ่านมาเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็ยังไม่ได้แยกแยะว่าอันไหนเมตตาแท้อันไหนเมตตาเทียม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 เป็นภาษาของการเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นอันนั้นไม่ถูกต้องส่วนความรักที่ปรารถนาจะให้และต้องการได้และเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจในระดับกาลางๆ ท, ทั่วๆไปซึ่งยินดีในการสละกช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการตอบแทนด้วยอันนั้นก็เป็นความรักอีกเร่งหนึ่งความรักที่ปรารถนาจะให้อย่างเดียวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่สมบูรณ์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 เพิ่ความรักที่เป็นเมตตานั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เกิดจากปัญญาสุ ข, ขุมร่วมลึกเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่เพื่อนร่วมโลกเป็นต้นเราเนี่ยนทีนี้ถ้าเราดูจากลักษณะของเมตตานี้เมตตามีความเป็นไปโดยอาการเครื่อกูล เ, เป็นลักษณะลักษณะของเมตตานี้นเบื้องต้นก็คือว่าดูหน้าตาเขาไป เพราะเมตตาเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นอย่งเหมือนเราจะคบคนก็ต้องดูหน้าตาเป็นอย่างงทีนี้เราจะเจริญเมตตาเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเมตตาเข้ามาอยู่ในใจเล้วนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ไอย่างไงว่าตอนนี้ใจมีเมตตาหรือใจมีโทสะก็ต้องดูก่อนเ <c oughs> มตตาเนี่ยนะมีอันนําประโยชน์เพื่อกูลไปให้เป็นเป็นรถมีความเป็นใจเดรัจงเพื่อกูลเป็นลักษณะแล้วยังไม่พอยังมีการนําประโยชน์ไปให้เขาด้วย เช่นถ้าเราเมตตาใครอ่ะมันก็จะนำประโยชน์ไปให้นำประโยชน์ในปัจจุบันนี้ไปให้เช่นว่าบางทีเขาไม่มีเสื้อผ้าเห็นเสื้อผ้าดีๆก็ปราถนานเสื้อผ้าไยให้มีสมมตินี่เขาไม่มีข้าวเ้าก็อยากเอาข้าวไปให้เขาไม่มีอาหารก็อยากนำอาหารไปให้าะอันนี้ ป, นประโยชน์ในปัจจุบนันใช่ั้ยเออเขาสุขภาพไม่ดีก็แนะนาทาให้เขามีสุขภาพที่ดี เขาขาดวิชาความรู้ก็แนะนําให้ความรู้แต่เขาไอ้จิจในการทําให้เขาอย่างนี้ก็เรียกทาํก า, ารรทด้วยเมตตาและในขณะทําไปก็ทําด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและใจที่คิดก็เป็นเมตตามโนกรรมด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าอิม่มประโยชน์ไปให้ยื่นประโยชน์ไปให้อันนี้คือจิจของเมตตาไปห น, นึ่งอันนี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วที่ผ่านมามันก็เคยมีใช่ไหมจ๊ะ แต่เราอาจจะไม่เคยตรึกให้มันละเอียดแล้วออนั่นเลยว่าเมื่อเราเคยทํำมาแล้วในลักษณะเช่นนี้เคยทําเคยเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราอย่างนี้เขาเรียกว่านําประโยชน์เพื่อกูลุ่นใบางครั้งก็นําประโยชน์ไปพบหน้าเช่นว่าเขาไม่มีศรัทธาบอกให้เขามีศรัทธาเขาไม่มีสีน้อมนําให้เขามีศีเขาไม่มีจาระคาไม่มีการบริจาคก็น้อมนาให้เขาบริจาคเขาไม่มีปัญญาก็แนะนําให้เขามีปัญญานี่เขาเรียกว่า นำประโยชน์ชัดหน้าไปฮะบางทีก็น้อมนําปรามัทำประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งไปฮะคือที้โทษว่าสังสารวัตที่มีภัยนะรอบดังอุทกภัยวาตภัยอทีภัยโจรภัยราชภัยเยอะแยะภัยจากน้ําจากไฟจากลมจากโจรจากพระราชาจากโรคภัยในที่สุดก็จริงก็ภัยจากกิเลสภัยในการเย็นว่าใดเกิอ ฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเห็นภัยที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าอะไรเนี้ยท่านบ่งปิดคาสามให้บริบูรณ์เพื่อจะพ้นจากสังสารวัฏเสืยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าน้อมปรมาภิษฐ์ประโยชน์ไปให้ที่เราน้อมไปให้หรือน้อมได้เพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาเพราะมีเมตตาจึงได้น้อมประโยชน์เหล่านั้นไปให้เขาน้อมประโยชน์ในปัจจุบันบ้างน้อมประโยชน์ในภพหน้าบ้างน้อมประโยชน์อย่างยิ่งไปให้เขาบ้างอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีเมตตาเรามีความรักเรามีความ ปรารถนาดีนี่เขาเรียกว่าน้อมประโยชน์เพื่อกูรไดให้ประการต่อไปถ้าาสังเกตบอกว่าเมื่อตานั้นจะมีหรือไ ม, ม่มีก็คือว่าดูในใจของเราบอกว่ามีการนําเอาอาคาตออกไปเสียได้เป็นเครื่องปรากฏอาคาตะวัตุวัตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาตหรือความขัดเคืองวัตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาดหรือความขัดเคืองในนะี้บอกว่าเช่นว่าเขาว่าเราเนี่ย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 ก็ต้องดูออกว่าเมื่อเราอบรมเมื่อเราเจริญเมื่อเราบมเมื่อการแล้วเนี่ยไอความอาฆาตความพยาบาทความคิดงิๆต่างๆเนี่ยมันมันหายไปมันออกไปใากใ จ, จอันนี้เ็าเรียกว่านำมาคาตออก ป, ประการต่อมาก็คือว่ามีอันมองเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่าเจริญใจเป็นตุน่างแท้เห็นคนทุกคนก็มีความเบิกบานมีความเจริญใจเลย เช่นเรานั่งในห้องประชุมฟังธรรมกันอยู่นี่เราก็ส่งจิตไปหาคนนั้นคนนี้ส่งไปหาใครทุกคนในใจเราก็เบิกบานหมดเลยแต่เวลาส่งไปแต่ละคนจิตก็เศ้าหมอคือมันไม่รักใครได้เลยเนี่ยแสดงว่ามิตรตังเราไม่มีเลยนะ่มันแห้งแรงมากเลยแสดงว่าเราเสียหายมากเลคือมองไปหาใครใจมันก็หดหูใจมันก็ไม่ไม่ยื่นประโยชน์ให้เขาเลย แต่รักจะกปรารถนาดีจะเอื้ออาทรจะหวังดีต่อเขาสักหน่อยเนี่ยไม่เกิดเลยมีแต่เศร้ามองเศร้าซ้อยโหถูกมีปัญหาทางด้านความคิดแล้วอย่างนี้มีปัญหาทังด้านความคิดแน่นอนถ้าเป็นคนไท้เขาเรียกว่าโคมาาอย่างนี้ต้องเข้าห้องไอซียูเนี่ย ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าพูดตามภาษาคนไทยเลยใจเราไม่รู้ตัวว่าเราจะตายแล้วคือตายจากคุณธรรมของพระอิยาทั้งหลาย มนุษย์โลกในทุกวันเนี่ยโดยมากไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใกล้าตาย แ, แต่คำว่าตายในที่นี้หมายว่าด้านจิตใจนะจิตใจมันหดโหวมันพ้อถอยมันเศร้าซ้อยมันหงอยเหงามันหงุดหยุดมันตุ้งตานมันหาความเบิกบานหาความสํารากใจไม่ได้เลยมองไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างไม่ได้มีเมื่อตาทําเลยมองเห็นสัตว์ในด่านก็หงุดหยุดแทนที่จะเมื่อตาเขาเนี่ยนะ มองเห็นคนอยู่ใกล้ๆก็งุ่นหึดเห็นทีไรก็แหมมันมันงุ่นหึดไปหมดเลยนะจริงๆแล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนป่วยนักเลทั้งด้านจิตใจด้วนะต้องแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือว่าต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วอบรมเจริญเมตตาให้ได้ทีนี้การฝึกหัดอบรมในการที่จะเจริญเมตตานั้นเนี่ยต้องทําแบบมีรูปมีแบบมีร่องมีรอยนี้ไม่ใช่ทําแบบสเปรดซะปาแบบประเภทที่ว่า เป็นนักกีฬาเป็นนักมวยเนี่ยจะออกไปแข่งขันกับเขาแตไม่เคยฝึกต้อมไม่เคยฝึกขัดโดยสํานวนก็คือว่าไม่มีครูฝึกเองเนี่ยคนที่ฝึกเองแบบไม่มีครูเนี่ยเนี่ยจะเปสับปะลงทิศลงทางแต่เราท่านทั้งหลายนี่มีบุญกันหน่อมีพระพุทธเจ้าเป็นครูใช่ไหมพอมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเนี่ยเออมีเราดีหน่อเราก็อ่านําของครูพระบรมครูเนี่ยของเรานั้น เอามาตรวจสอบดูแล้วก็เอามาเดินตามเอามาอบรมทีนี้ถ้าพูดไปก็เป็นเชิงเหมือนดูถูกแต่จริงๆจนเนื่องจริงคนส่นมากจริญ่นเมตตากันไม่ถูกไอ้ที่บอกเจริลเมตตากันไม่ถูกเนี่ยจะบอกว่าเจริญ่นเมตตาไม่เป็นก็ได้แต่คําว่าไม่ถูกก็ไม่เป็น ก, ก็อันเดียวกันเองคือเจริญไม่เป็นแต่คนเก่งมากท่องเมตตากันได้จะลองลองไป เจอหน้าใครก็ไปถามดูตัทเทสตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแต่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสึกเป็นศุกเกิดเดีย๋ยวได้มีเวนต่อกันและการเลยเป็นต้นเขาว่างเขาได้หมดเลยแต่คนคนนั้นน่ะที่โกรธมากที่สุดในเรื่องหลังหรือการกระทำเนะี้ยแต่เขาท่องเมตตาได้ได้ได้เก่งมากไม่าพูดถึงตรงนี้ก็กระเทือนถึงพระที่จริงพระเนี่ยน่าจะเป็นตัวนำอย่างการแผ่เมตตาหรือจเจริญหรืออบรมเมตตาแต่ผล สุด ท, ท้ายที่ตามมาในสังคมทั่วๆไปอันนี้สักกะเทือนนึงใครก็ขอขอะไรไม่เคยพูดธรรมะเพื่อกระทบตนและข่มวุ่นแต่พูดให้เห็นภาพขึ้นมาว่าภาพวงค์ที่โกดมากจริงอันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเมตตาไม่เกิดทีนี้เ ม, มื่อเมตตาไม่เกิดเขาบ่งบอกว่าท่านผู้นั้นเจริญเมตตาไม่เกิดหรือเจริญเมตตาไม่ถูกอถ้าพูดตามภาษาหมอเขาบอกว่าคนไม่มีลูกหรือว่าเป็นหมันเน่ยถ้าเจริญเมตตาไม่ออก ก็เป็นหมันทั้งเกิดการเจริญเมตตามันเจริญแล้วมั น, ม, นมันติดที่ลินฝีปากอะ่ะเวลาจะท่องเมตตาเนี่ยมันก็ติดอยู่แค่ลินฝีปากท่องเมตตาไปได้แต่ใจโหดร้ายเนี่ยอันนี้ไม่ใลักษณะเมตตาไม่ได้เป็นในลักษณะนี้ฉะนั้นเมตตาต้องมองเห็นบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นต้องเจริญตาเจริญใจเราทั้งเกลียดได้ไม่ยากถ้าเราฝึกเจริญเมตตาสักประมาณสามสิบนาทีประมาณชั่วโมงนี่นะ